การทำในตอนเช้าลอากาศทวัดจบล่างกิดล่างใจอาบริสุทธิ์เพื่อย้อมเอาทำจะได้ติดง่ายกิดบริสุทธิ์ในตอนเช้าอากาศบริสุทธิ์ศูนย์องศา ชีวิตมีศูนย์เป็นที่ตั้งมักวอนหลับนอนมาแล้วเมื่อเป็นศูนย์ก็ชีวิตเป็นศูนย์ก็ใช่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนช่างไม่หวั่นไหวเดสเหมือนหมา จ้างคือรู้สึกตัวคือไม่เป็นอะไรเห็นไม่เป็นอะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจเห็นไม่เป็นนี่คือความยิ่งใหญ่ตามไปตามอย่างนี้ตามไปเรื่อยๆในโลกนี้มีมากมายที่มันเกิดขึ้นมาในโลก โอกาสโลกสังขารโลกโอกาสโลกคื อ, ต, อตรงว่าดวงอาทิตย์เป็นดินวัตถุอาการต่างๆจะมีสติเห็นไม่เป็นใช่ได้จากนั้นสังขารโลกโกาดรูปจากนาม้ม คมไม่เที่ยงเกิดขึ้นเห็นแล้วเห็นไม่เป็นความทุกข์เกิดขึ้นเห็นไม่เป็นความโกรธเกิดขึ้นเห็นไม่เป็นหลุดพ้นปล่อยวางตามไปตามพระเจ้าไปถามสงสารวัดตถุสงสารไปเคยหลงกี่ครัง้งอีหนไม่เคยข้ามไม่เคยผ่าน เคยทุกข์กี่ขัง้งกี่หุนเหมือนเชิญเราสงไขลานไม่เคยผ่านบัดนี้เรามาเห็นไม่เป็นอะไรเกิดขึ้นมากับมาสังขารกิ่ตสังขารเห็นไม่เป็นท้นทุกชิ้นทุกหยองป่อยวางวางใจมีสติวางใจเป็นเครื่องมือวางใ จ, าง ว, างใจวางอะไรทั้งหมด เห็นไม่เป็นคือการปล่อยวางเมื่อปล่อยวางมันก็ว่างเม่ว่าง ม, มันก็หยุดเมื่อหยุดมันก็เย็นมันก็เป็นนิพพานนิพพานเกิดขึ้นที่รูปที่นามเมื่อเราใช่ถูกต้องเห็นไม่เป็นเนี่ยมันก็หลุดพ้นทุกข์จั่งเห็นทุกข์ไปเป็นทุกข์พ้นจกทุกข์มีสติเป็นนี้ เห็นความโกรธไม่เป็นผู้โกรธพ้นจากความโกรธเห็นความแก่ไม่เป็นผู้แก่พ้นจากความแก่เห็นความเก็บไม่เป็นผู้เก็บพ้นจากความเก็บเห็นความตายไม่เป็นผู้ตายพ้นจากความตายไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะต้องทำชุดเป็นดินเราเห็นไม่เป็นที่ว่าสิ้นสุดแล้วชีวิตนี้ อะไรก็งอกงามขึ้นตรงนี้ศีลก็งอกงามขึ้นตรงนี้มากกว่า น, นิพพานงอกงามขึ้นลักษณะอย่างนี้นี่คือตอนเที่พูดกันอย่างนี้แล้วก็เราก็ไม่มีโอกาสพูดได้ที่งเท่านั้นตอนสายบ่ายเย็นก็พูดไม่ออกแต่ก่อนพูดได้ทั่วทวไป ่อนเช่าพูดที่นี่จะแสดงทำที่นี่อนฉันก็แส่งทำที่โน่นหลาหน้าอยอดโจมาทำมวญเทศอีกตอนตีเ ท, ที่นี่แล้วพูดที่นี่แล้วตอนตีห้าไปพูดตามเฉียงตอมสายกับชาวบ้านทุกวันเก็บเอาข้อมูลประจำวันเพื่อไปสอนอยอดเจให้เป็นปัจจุบัน มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเอามาพูดตอนเช้าทุกวันแล้วมันมีข้อมูลอะไรก็เอาธรรมะบอกคิดบอกถูกแต่ชาวบ้านชนตบทนี้มันทําอย่างนั้นไม่ได้ขึ้นธรรมาที่โล่นที่นี่ไม่ได้นั่งอยู่ที่นี่ต่า น, นั้นที่พอจะพูดได้ตอนเช้าตอนนั้นก็เหลือหน่อยเต็มที่แล้วชีวิตน่ะ ก็เป็นอย่างนี้ความจริงเป็นอย่างนี้เราก็เห็นไม่เป็นไปนตามมันมันไม่ให้ใช่เช่นี้ก็ใช่ไปอย่าอยากจะบอกคนอื่นอย่าได้แบบหมาดเราก็เคยเป็นหนุ่มเป็นพระหนุ่มเหมือนกันเคยผ่านโลกมาอย่างโซกโซนลรวยมาพอแรงแล้วทุกข์มีกเรื่องกี่ราเคยทุกข์มาหมดแล้วรสชาติของความทุกข์เป็นยังไง เราต้องมาคุยอวดดูที่หน่อยเมื่อเห็นไม่เป็นมันก็จะจบมันไม่ยากทุกข์มันเกิดจากความไม่รู้ไม่เห็นไม่มีสติไม่ได้ดูือยืดไว้ทุกข์ก็ยืดไว้โกรธก็โกรธโกรธคือความโกรธทุกข์คือความทุกข์หลงคือความหลง ก็เป็นอยู่อย่างนั้นมีรสชาติอยู่นั่นเห็นทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์มัก็ไม่มีค่าไม่สติเห็นความโกรธความโลภความหลงเห็นชีวิตดันหหลักคาเห็นว่าตาราตรึงสารมันไม่เป็นไม่เมื่อมันไม่เป็นเห็นไม่เป็นก็วางวางวางวางเหนไม่มีอะไรเหลือดับไม่เหลือการดับไม่เหลือของความทุกข์ มันก็เมื่อดับเมื่อดับมันก็หมดเชื่อได้มไม่งอกงามขึ้นมาอีกไม่เกิดอีกนีแต่ธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติสู่ธรรมชาติธรรมชาติยิ่งใหญ่พุกอย่างเมื่อเข้าสู่ธรรมชาติมันก็ยิ่งใหญ่เหมือนป่าไมา้เมื่อมันอยู่ธรรมชาติไปไม่ติดไปไม่ขึ้น ธรรมชาติยิ่งใหญ่ในตัวมันเองเอามันเพี้ยนไปแล้วก็อะไรก็โหมเข้าได้ยึดของเราเมื่อสู่ธรรมชาติมันก็ยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรที่จะมาใหญ่กว่าธรรมชาติได้เมื่อมันเป็นธรรมชาติสู่ธรรมชาติเกิดอะไรขึ้นในธรรมชาติเล่นมากมายหลายอย่าง ถ้าเป็นแผนดินบาบ้ า, า ก, ก็เป็นธรรมชาติก็ยิ่งใหญ่เกิดอาหารการจินเกิดอากาศเกิดแม่นาม้าเกิดอะไรต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสัตว์โลกชีวิของเรานี่เมื่อเป็นธรรมชาติแล้วสู่ธรรมชาติแล้วก็ยิ่งใหญ่มันก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกามีใจธรรมชาติ ในชีวิตของสัตว์โลกคือมนุษย์นี่มันก็จะแดงออกทางทวารทั้งหลายให้เกิดความถูกต้องเมื่อเป็นความถูกต้องตั้งอยู่ที่กายที่ใจที่รูปที่นามอีกแล้วมันก็ถูกต้องไปทั้งหมดในโลกนี้ความถูกต้องเกิดขึ้นจากกายจากใจจากรูปสองนามเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นสิงเื่นวัตถุอื่นไปเรื่อยๆไป เหมือนพระพุทธเจ้าเกิดความถูกต้องจากพระองค์เดียวก็เกิดประโยชน์มาถึงพวกเราทุกวันนี้ได้สมบัติได้ไอาุ่นได้ตามรอยมีรอยเดินตามมีทางเดินไปตามรอยนะั้นก็มีความสะดวก พอ เ, เห็นไม่เป็นนี่ก็เป็นทางที่มันสะดวกที่สุดมันง่ายๆ่ายไม่ยุ่งยากสามใจมาทําง่ายการบรรลุธรรมบรรลุทางจิตใจพระเจ้าบำเพ็ญทางจิตมีสติดูจิตมีจิต ด, ดูจิตถ้ามีสติดูจิตมีสติดูกาย มันได้เนื้อได้น้ำกันแล้วก็เป็นอันเดียวกันจิตก็ดูจิตเองกายก็ดูกายเองภาษาจิตก็พูดภาษากิตจิตก็สอนจิตกายก็สอนกา ย, กกายไม่มีใครสอนมันสู่ธรรมชาติแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิกดขึ้นจิตสอนจิตจิตดูจิ ต, จตแล้วในตัวมันแล้ว รือว่าถูกต้องแล้วกายในกายนิจติเป็นในกายก็ถูกต้องแล้วเอาไปมาก็คือเห็นไม่เป็นเป็นอันเดียวคือมิสติทุกคนทุกชีวิตฉนดรวงที่นี่จึงเป็นแผ่นดินราบมะ น, น้ากองสายศาสนาภาษีอาแยริเมตาย่ก็จะได้เห็นได้พบเห็น คือธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนนํามาปฏิบัติเอากายเอาใจนี่แหละปฏิบัติทุกคนมีกายมีใจเหมือนกันหมดความโกรธก็เหมือนกันหมดความทุกข์ก็เหมือนกันหมดเรื่องต่าเหมือนกันหมดความเกิดแจ็เจ็บตา ย, าาายเหมือนกันหมดหมว่ารถที่ใดนี่กายใดศาสนาไดเหมือนกันหมด คือมอัวรู้เรื่องนี้ทั้งนั้นคือบวาเพียรทางกิตนิสติรูิจิตก็เป็นเดิเดียวกันคือรู้เราทุกคนมีความรู้จึกตัวไปในกายทุกคนมีความรู้จึกตัวไปใน จ, ใจิตใจกรถือว่ารักษาตัวเองคุ้มของตัวเอง มีสติเป็นเจ้าของกายมีสติเป็นเจ้าของจิตใจเมื่อดูแลตัวเองคุ้มก็ดูแลคนอื่นได้ของตนได้แล้วของคนก็ได้ของงานก็ได้ของศิลปของธรรมก็ได้ถ้าไม่มีสติดูแลงคนไม่คุ้มป่อยให้ตัวเองพุ่งค้ัน ชุกสนลอยก็ชุกชนไปปืบไปเพื่อนเลยรมาใช่ไหมเป็นจิตใจก็ทุกสนไปปืบไปเพื่อนอะไรมาว่าใช่ไหมเป็นใจดีๆก็เปิดเพื่อนหมดแต่งออกทุกข์ความหลงออกต้าออกตาความทุกข์ออกหน้าออกตาอะไรก็ทุกข์อะไรก็ทุกข์ควาเจริก็เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความดาเป็นทุกข์ ความภาพภะเกี่ยวของรักของชอบก็เป็นทุกข์ป่าเอนหาสิ่งใดไม่ได้สิ่นั้นก็เป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจก็เป็นทุกข์ควาเมเจ็ไม่เป็นทุกขาา์กลับมาซะความเก็บไม่ควาเก็บไม่เป็นทุกข์ความตายไม่เป็นทุกข์ต้องป่าเถื่อะไรไม่เป็นทุกข์ต้องใจทำดีทำดีแล้วบอกเล่าสอนแล้ว เราเราเองก็สอนแล้วสอนตัวเราเองแล้วถึงขาไม่เจ็บค่าไหยป่วยไม่มีความผิดอะไรของเราเคยจกอกชิงแหวนรอกงกุศลไม่ยอดเคยเป็นอย่างนี้ไหมไม่มีเคยจุนมรอกไหมไม่เคยจิ้มเคยสูบบุหรี่ไหมไม่เคยสูบเคยจิ้ของเด็กๆไหมไม่เคยจิ้ม ก็ตอบแบบนี้ได้เต็มปากก็ไม่ได้ใช้ชีวิต ท, ที่ผิดพลาดอะไรมันเป็นธรรมชาติของโลกของกายเกี่ยวข้องกับโลกอก๋อกอดในโลกนี้ก็เพี้ยนไปอาหารก็เพี้ยนไปบางทีชีวิตของเหลาก็เนื่องด้วยคนอื่นคนอื่นทำห้ชีวิตรวมกัาในโลก เนเหยียบบินก็เป็นโลกได้น้ำก็เป็นโลกได้วันนี้เราจะดีคนเดียวพวเราจะมาชวนกันดีให้คุ้มครองตนเองให้ดีอย่าได้ทําให้ตัวเองผิดพลาดเมื่อผิดพลาดตัวเองคนอื่นก็ผิดพลาดได้เป็นไัต่อคนอื่นได้ชีวิตไม่มีภยยัยยชีวิตปล่อยวาง ไม่มีตัวตนที่ไปทำอะไรให้เกิดทุกข์กิดโทษต่อสิ่งอื่นคนอื่นต่อยวางวางลงแล้ววางลงแล้วเอาไปเจ้าวางของหนักลงเสียแล้วผู้เจ้าตัดจากนี้ว่ารอยยอดคือความยึดมั่นถือมั่นในขันดังห้าคือรูปใครก็มีรูป ยืดว่าเป็นตัวเป็นตนเวทนาที่ผสมเปบทุกข์นั้นเกิดขึ้นกับลูกก็ดูว่าเป็นตัวเป็นตนวิญญาติเหมือนจดจําบันทึกอะไรว่าเก็บข้อมูลอะไรไว้เหมือนคอมพิวเตอร์มันก็มาเป็นตัวเป็นตนเราไม่สังขารคิดเรื่องเก่าคิดแล้วชุดอีกมันก็ออกมาเป็นตัวตนเป็นทุกข์เพราะความคิดวิญญาติคือมันประติด แล้วติดแล้ววัชชัยไม่เป็นก็ติดอยู่ในวิญญาณ <c oughs> ต้องมาติดเร็วม า, มากๆก่อเป็นเปตเป็นสุลกัยเป็นจัโลกเป็นนิรฉานไม่ดูแลตั้งแต่ลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าไปหมดเลยเป็นของอันอื่นหมดเลยไม่มีที่เพิ่งได้สักอย่างลูกก็เพิ่งไม่ได้เวทนาอะไรของต่างไม่มีปัญญา วันนี้เราปล่อยวางปล่อยวางวาลาเวปัญจขันทาขันธ์ห้าเป็นของหนักเนึ่ว่าโดยย่อมีเท่านี้คุณเจ้าสอนอย่างนี้ตัวฐ า, านขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์ปล่อยวางนีสติเห็นกา ย, ยาเป็นใบาจามเห็นเวทนาร้ายเฉพากาย ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเวทนาที่มันเป็นฉุกเป็นทุกข์ไม่ใชัดว์บุคคลตัวตนเราเขาเอามาเป็นตัวของเราทําไม่ปล่อยวางปล่อยวางเอาุกเป็นฉุกทํำไมเอาทุกมาเป็นทุกทําไมว่าจะติดเมื่อฉุกเกิดขึ้นเป็นทุกเกิดขึ้นมีแต่ทุกตอนนั้นตั้งอยู่มีแต่ทุกตอนนั้นดับไป มันมีอะไรมากไปกว่า น, นี้วางลงแล้วก็ไม่มีอะไรเหมือนในโลกนี้มีความร้อนแต่โลกนี้มีความร้อนมืนความร้อนดับลงก็มีความเย็นความเย็นมีอยู่แล้วแต่ความร้อนมาทับความเย็นใช่กับโลกนีมันร้อนเพิ่มขึ้นนี่เหตุที่ทำให้โลกร้อนเพิ่มขึ้นมากมาย เราก็มีโอกาสทําให้โลกร้อนใช่ลังงานพุ่มพ่วยอีกวันที่เอนไหนเรจะหยุดใช้ไฟหนึ่งวิหนึ่งนาทีทั่วประเทศใช่ไฟกันมากโดยเฉพาะไฟวัดป่าสก โ, โตเป็นไฟระบบโรงงาน แต่ใช่กลางวันจะราคาสูงเท่าตัวหน่วยละราคาสูงขึ้นเพราะไปลงงานต่อใช่แบบเก็บก่อนใช่พลังงานในกลางวันลงงานมาทำงานกลางวันตั้งแต่สามโมงเช้าไป ถึงบย4โมงก็เจ็บแพงเพราะหลงงานแล้นั่นทีใช้ไฟตอนกลางวันถ้าธรรมดาก็ไม่ค่อยใช้การกลางวันแั้ที่นี่เขาก็บอกไฟราคาแพงแล้วก็บอกหยุดสูบน้ำตอนกลางวันให้สูบตอนเช้ากับตอนเย็น วายห้างไปแล้วแะแล้วอะไแพงอะไรก็แพงเนี่ยจนขยามนี่ธรรมะนี่ประหยัดที่สุดเลยกระดาษเช็ดชู้ชาเช็ดแล้วไม่ควนทิ้งก็อย่าทิ้งเก็บไปเล่นก็ <c oughs> <c oughs> ไ, กกได้อย่าไปใช้อีกสักสองสามครั้งก็ได้แรั้งที่สุดกระดาษเช็ดชู้เนี่ย กระดาษสำละเช็ดมือกรโลกมันจัลร้อนเราก็มีส่วนทำไมโลกร้อนดูโลกตัวเราจรีเป็นแต่ใช่พลังงานทั้งนั้นไม่มีอะไรทำได้เลยพลังงานมันสะดวกใช่มือนิ้วเดียว ถักน้ำกับมือเดียวเดียวหุงข้าวกับมือเดียวเดียวปอกพิ้นกับมือเดียวเดียวมันจะดวดมือเดียเดียวบางทีก็เสียงก็ได้มือเดียวเดียวรูทั่วโลกเราก็ทำให้กดนั่นกดนี่พลังงาน เราะนัโลกเป็นยังโลนร่วมกันทั้งหมดเป็นผลที่เกิดจากเราเหมือนกันเราก็มีส่วนธรรมะเนี่ยมันจะช่วยให้ประหยัดชีวิตพลังงานในตัวเราเนี่ก็ชิ้นเปืองโงดอด ท, ที่หนึ่งมาจุดไฟเผาตัวเองทุกข์ีหนึ่งมาจุดไฟเผาตัวเองมันไม่เย็นถ้ามันเย็นเื่องเนี่ย มันไม่มีแล้วทุกขนะ์มีแต่ทุกข์เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ตั้งอยู่เมื่อความร้อนหมันกับโลกนี่มีความร้อนความเย็นเมื่อบันร้อนบวดลงอก็เย็นขึ้นมาทันทีชีวิตเราก็เช่นเดียวกันมีความร้อนหลาาักคัจิโทสักิโมหะคิเมื่อโทสักิหลัคัชิโมหะคิเย็นลงมันก็เป็น มักผลนี้ผ่านเกิดเกินเย็นกิจสว่างสวายสู่มักสูผลไม่มีเลยเย็นเท่ากับกิจชนะกิจนชนะยิ่งใหญ่จนอาตาหะไวตั้งเสยโยชนะตนนั่นแหลประเสริฐที่สุดอย่างนัคนอื่นลอยข้างวันหนุนไม่เจ้าชนะตนแม่ข้างเดียว พุทธเจ้าสอนอย่างนี้ทุกคนเอาชนะตัวเองจะอยู่เย็นเป็นสุขทั่วลกูกจึงมมีวิธีใดไม่มีวิธีใดแล้วนอกจากมีติตเบรกคอยอยู่เป็นประจำเราอยู่ร่วมกันก็มีติตถ้าเรามีสติก็เป็นคนคนเดียวก่อน เราได้ปกคร้องการปกครองตัวใครตัวมันเมื่อคองตัวเองก็ของคนอื่นของสินของธรรมคองงานของตานได้ของโลกได้ของทําได้สู่ธรรมชาติยิ่งใหญ่สรรมชาติก็จะกลับมาเป็นประโยชน์ต่อเราอีกวนเยอนก็อยู่นี่ เราจึงถูกต้องแล้วมีสติกันเถอะพวกเรามีโอกาสแล้วหาเจอได้อยู่กัเรยว่ามีสติได้ใช่หลงไปอาวุธอาการที่เกิดกับนกายกับรูปนี่มาเป็นปิดบตรุผิดความรู้จักตัวเราเคยใช่ เลยเคยใช่บันฟรีปวลานแล้วเดินมาฟรีฟรีคิดฟรีฟรหายใจฟรีฟรีปรดก็ฟรีเอาไปเลยทุกก็ฟรีเอาไปเลยความม่าเถื่อนก็ม า, กมาให้เราได้เป็นทาตของหมัดหลงที่ใดก็หลงไปเลยทุกที่ใดก็ทุกข์ไปเลยมันก็มอเรื่อยเหมือนเราต้อนรอบวัน มีค่าจะหรบรูปสาหรับนามถ้าคนไม่มีเจติถ้ามีสตติหลงก็เป็นลู่ซะแล้ก็ไม่เลยต้อนลบอยู่แล้วว่าคืนไปแล้วบอกกลับไปแล้วปฏิบัติแล้วทักทั่วไปแล้วทุกทีเลยก็ลู้ซะก็ไม่ต้นลบมันแล้วไม่แห้งค่ามันแล้วได้ประโยชน์แล้วเได้ความไม่หลงจากความหลง ดยความไม่ทุกข์จากความทุกข์ด้อยความไม่โกรธจากความโกรธนี่แล้วก็ออกมาเป็นเหตุพระเจ้าตรัสรูกเหตุอันนี้ไม่ออกมาจากที่ไหนอยู่ในรูปในานามนี้นี่จะเหตุนี่จะปัจจัย รู้ก็รู้แล้วมาจากเขตละได้แล้วจึงได้ร่วงคนรู้แจ้งทำให้ได้แล้วแจ้งแล้วได้วิธีประเบินชีวิตแล้วเป็นร้นทางไปแล้วสะดวกแล้วหรือก็ถูกต้องแล้วชอบแล้วคิดชอบแล้วเกิจากความพีกรชอบไปแล้ว แล้วเราฝึกเกิดความคิดก็เป็นทุกข์ทุกปวงชิดเคยมีบ้างไหมความคิดก็หยุดไม่ได้หยุดไม่เป็นวันนี้ชิดชอบแล้วเปลี่ยนมาทางนี้แล้วเมื่อชิดชอบกํายลำบออกชอบแล้วมาทางมาดีพ้นทุกเรื่องเกิดจากความคิดํดำลำบีไปแล้วออกไปจากความคิดแล้วมาเป็นารพูดก็พูดชอบแล้วมาเป็นการงานก็การงานชอบแล้ว มาเป็นชีวิตเรี่องชีวิตก็ชอบแล้วมาเป็นความภาคเ พ, พียรหนีจากความชั่วก็ชอบแล้วถูกต้องแล้วทำเป็นแล้วรู้จักทิศทางแล้วทางไปทังนี้เมื่อมีสติก็มีสติสดได้ชอบแล้ว ม, มีสมาธิอา้าวก็วนใหญ่เป็นพระรองอะไรต่อกรับื่้นได้มัน่นคงไปสู่มรรคส่ผล อยู่ที่กายที่ใจนี่ที่รูปที่นามนี่เคมีรูปมีนามมีขันธ์หอยู่นี่เดินไปมีธาตุสมีธาตุหกโอกาสธาตุช่องว่างมีในกายวิญญาณธาตุคือความรู้กหลได้ถ้าหลงเป็นกองนันนละดีแล้ว้าทุกเป็นก็ละดีแล้วเนี yeah. ่ย ถ้าเห็นทุกข์นั่นะอย่าเป็นผู้ทุกข์นั่ก็ดีแล้วเจีงชวนกันชวนกันชวนกันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันช่วยเหลือกันช่วยเหลือกั น, กนสิ่งวัดล้อมห้เกิดขึ้นในเพื่อการ น, นี่พยายามจิงสร้างสิ่งวัดล้อมห้เกิดขึ้นเพื่อให้สติมันงอกงามอย่าให้สิ่งที่เหมือนครอบับสติ ในกายเรานี่ก็มีสมุทัยสังขารปุ๋งแต่งปิดไว้佛教จึงเปิดออกมีสติเปิดอกอกปัจจาวากายเปิดออกแล้วเวทนาสักว่าเวทนาเปิดออกแล้วอย่าให้ฆ่ามันจิต ก, ก็สักว่าจิตเปิดออกแล้วธรรมสักว่าธรรมเปิดออกแล้ว มก็ไปได้ก็เห็นระ้ววันนึ่เมื่อเปิดออกก็เห็นหลายของตะวั้งก็เห็นก็เห็นแสงสว่างในที่มืดก็เห็นบอกคนหลงทางก็เห็นทางถามคนต้องไปทางไหนไปโน่นไปทางไหนเมื่อเรามารู้ถามคนหนึ่งเขาบอกพระเจ้าจเหมือนอย่างนั้นเวลาเราปฏิบัติตูวก่อยหลังว่าก่อย เหมือนกับผู้เจ้าบอกทางบอกสองแสงสว่างให้เห็นไปทางนั่นลหละไปทางนั่นแหละผู้เจ้ากมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้เราเคยไปอย่างนี้ไหมถ้าหลงเป็นหลงเพรไม่ได้ไปตามุูธเจ้าไปตามไปตามมานไปแล้วลุกเป็นลูกไม่ได้ไปตามผู้เจ้าแล้วเราเคยตามอย่างนั้นไหมบทนี้ มันัดใหม่ถ้ามันหลงก่รู้ซะมันทุกข์ก็รู้ซะมันโกรธก็รู้ซะมันคื อ, อกุศลมาไปช่อบายกุศลคือไมหลงไมหล ง, ลงนี่คือกุศลทุกข์มยทุกข์คือกุศลโกรธไม่โกรธคือกุศลมันมีทางแยกทุกนี้ กุศลหรืกุศลอยู่ที่ก่อที่ใจที่รูปที่นามนี่ทําบุญในศาสนาคือทําบุญตรงนี้เมื่อทําบุญหน้าตรงนี้ก็มีบุญออกโลกไปอีกเป็นวัตถุจริงของด่างทำไม่ทําบุญตรงนี้ก็ยากเงยแห้งเห็นเจ๋ตัวเอาความโกรธออกหน้าความโลภออกหน้าความทุกข์ออกหน้าบาดแค้นคนอื่น จนไม่มีอะไรเหลือแบ่งปันกันทั้งทั้งดิโลกนี่แบ่งปันกันได้อ่าก็หมดเสียงหมดแรงแล้วสมควรใช้เวลากับพระพ่อมกัน